เรื่องภิกษุผู้เป็นไข้5้าสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นไข้อยู่ในเสนาสนะป่าพวกชาวบ้านนำของเคี้ยวของฉันไปถวายครั้นแล้วได้กล่าวอารัธนาภิกษุนั้นดังนี้ว่านิมนฉันเถิดขอรับทีนั้นภิกษุนั้นมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการรับของเคี้ยวของฉันในเสนาสนะป่าด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวฉันจึงไม่ยอมรับ ท่านไม่สามารถเที่ยวบินธบัติได้ทันจึงไม่ได้ฉันพัฒนาหาันท่านได้แจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบครั้นแล้วภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระพุทธาอนุญาตพิเศษลำดับนั้นพระผู้มีรร พ, พ, ร, ะ พ, พ, พ ร, ะมระภาคทรงสแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้รับของเคี้ยวของฉันในเสนาสนะ ป, ป่า ด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวฉันได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้